และติดตามการกระทำของเขาบทนี้ได้กล่าวถึงการแบ่งมนุษย์ไว้ในวันกิยามะออกเป็น 2 พวกคือพวกคนดีมีคุณธรรมและคนชั่วผู้กระทำผิดพร้อมกับได้ชี้แจงถึงบั้นปลายของทั้ง 2 ฝ่ายบทนี้ได้จบลงด้วยการวาดภาพแห่งความยิ่งใหญ่และความน่ากลัวของวันกิยามะในวันนั้นทุกชีวิตจะปราศจากซึ่งพลังและอำนาจใดๆ แล้วละองค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้ทรงอำนาจบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออีซซะมาอ์ฟะฏะรตวะอิซัลกะวาคิบตะซะรตวะอิซัลบิฮารุฟัจจิรตเมื่อชั้นฟ้าได้แตกและเมื่อบรรดาดวงดาวหล่นกระจัดกระจาย และเมื่อทะเลได้เอ่อล้นวะอิดัลกุบูรุบุอฮ์ฟิรักอะลิมัตนัฟซุมมากัดดะมะตวาอัคคอรตและเมื่อหลุมฝังศพถูกพลิกกลับทุกชีวิตจะรู้ถึงสิ่งที่ตนได้กระทำไว้ก่อนและสิ่งที่ได้กระทำในภายหลังยาอัยยูฮัลอินซานะมาฆัรรกะบิรบบิกัลคารีมโอ้มนุษย์เอ๋ย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 كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين في ذلكنن تاว่าพวกเจ้าปฏิเสธวันแห่งการตอบแทนทั้งหา และแท้จริงมีผู้คุ้มกันรักษาพวกเจ้าอยู่คือมะลาอิกะฮ์ผู้ทรงเกียรติเป็นผู้บันทึก يعلمون ما تفعلون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 وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ لا พวกเขาจะไม่เป็นผู้ออกจากมันคือจะอยู่ในนั้นตลอดไป وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ อะไรเล่าทําให้เจ้ารู้ได้ว่าวันแห่งการตอบแทนนั้นคืออะไรแล้วอะไรเล่าทําให้เจ้ารู้ได้ว่าวันแห่งการตอบแทน يوم <Yawm> لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله วันที่ชีวิตหนึ่งจะไม่มีสิทธิ์ช่วยเหลืออย่างใดแก่อีกชีวิตหนึ่งได้และกิจการในวันนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์